เรื่องให้เสนาสนะที่ว่างแก่พวกภิกษุผู้ก่อความทะเลาะวิวาท473ครั้งนั้นพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีได้เดินทางไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถีท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทราบว่าพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีผู้ก่อความบาดหมางก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อเรื่องอื้อเฉาก่ออธิกรณในสงเหล่านั้นกำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีข้าพระองค์จะจัดเสนาสนะต่อพวกเธออย่างไรพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอพึงให้เสนาสนะที่ว่าง